สถานีวิทยุสังฆทานธ ร, รมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารจากบทประพันธ์ของสุทธสาอ่อนค้อมบรรยายโดยจันงามรัตนพงศ์ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ